เททองพระประธานเสร็จแล้วก็พักพักยกพอตอนบ่ายศรัท ธ, ธ, ธ, ธาญาติโยมผู้ที่เนี่ยะผู้ที่มาช่วยให้เราได้โฉนดที่ดินของวัดคุณนิรถพีเคยได้มรณะไปหยุดแล้วก็ประชุมเพิงเมื่อวานพระราชทานเพิงเมื่อวาน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 หลวงพ่อก็ฟังฟังแต่นั่นท่านก็เอาจริงเอาจังเอาเอาจริงเอาจังก็เอาแต่หลวงพ่อวไม่อยากจะไปหาหนะ้าหาโรคเลยนะถ้าหามันก็ต้องเจอไม่เจออันหนึ่งก็เจออันหนึ่งก็เจอจริงๆรนะิพอไปเอ็กซเรย์ก็เห็นนิ้วในในไตเลยเหมือนกนเราไปหาไปหาราชสัตว์ในป่านะเอาหมาไปราชสัตว์ในป่านะ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 ไปฉันกิจโภอชนา เ, เสร็จแล้วนั่งนั่งรถก็มาวัดป่าสารวันอีกฝังฝั่งนู้นลุลลลลูกลานนะเป็นตะวินหัวไหมวัดป่าสารวันวัดป่าหลวงพ่อพุทธแล้ว เ, เขาจัดงานขึ้นมาเ ข, า, า, ขาในมณฑลหลายปีแล้วหลวงพ่อก็คิดแล้วเบี่ยงแล้วเบี่ยงอีกเหมื อ, ก อ, ก อ, ก อ, กอกนกันนะพอหลวงพ่อไม่อยากจะเดินทางอแต่ข่าวนู้หลวงพ่อขอในมณฑลเท่านะจัดท่านจะคูนมาเองเจ้าอาวาดมาเอง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 ลูกหลานได้ฟังนะออันนี้ก็คือถ้าลูกหลานดูหลวงพ่ออยู่ในวัดก็คงจะไม่ได้ไปที่ไหนไม่มีภาระอะไรอันนี้แนหะหลวงพ่อได้ไปอย่างที่ว่าเนี่ยนะลูกหลานนะเอแต่ว่าเรื่องไปเมื่อค่าวที่แล้วเนะี่ยไปที่วัดส่วนหลรวมทําก็ได้พบกับเจ้าของผู้ที่จะสร้างอาคารเรียนให้กับปั้นหัวช้างอ่ะ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 ดีที่สุดเนี่ยนะส่งเงินส่งถึงโรงพยาบาลไม่เกิดนั้นตายจากนั้นญาติพี่น้องที่ลูกของข้าดีล้านของข้าดีสามีภรรยาของข้าดีที่สุดพี่น้องของข้าญาติกลกูลของข้านี่ดีที่สุดเป็นที่พอใจญาติพี่น้องที่วัน ด, ดีที่สุดนั่นก็ส่งถึงเมนพอถึงถึงเมนก็ยัดเข้าเมน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 นี่แหละข่าวนั้นแหละอัตหิอั ต, อตโนนาโถหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหิหนาโถปโรซียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเรานอกจากใจของเราใจของเราที่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองเราเดินเดือนเดินเคียงข้างเราไปหลายบันี้ถ้าว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล